ผลของการปฏิบัติข้อที่หนึ่งในแง่ความบริสุทธิ์เมื่อสติจับอยู่กับสิ่งที่ต้องการอย่างเดียวและสัมปัติัญญารู้เข้าใจสิ่งนั้นตามที่มันเป็นย่อมเป็นการควบคุมกระแสการรับรู้และความคิดไว้ให้บริสุทธิ์ไม่มีช่องที่กิเลสต่างๆจะเกิดขึ้นได้และในเมื่อวิเคราะห์มองเห็นสิ่งเหล่านั้น เพียงแค่ตามที่มันเป็นไม่ใส่ความรู้สึกไม่สร้างความคิดคำหนึง่งตามความโน้มเอียงและความฝ่ายมต่างๆที่เป็นสกะวิสัยหรือ subjective ลงไปก็ย่อมไม่มีความยึดติดถือมั่นต่างๆไม่มีช่องที่กิเลสทั้งหลายเช่นความโกรธจะเกิดขึ้นได้เป็นวิธีกำจัดอาสวะเก่าและป้องกันอาสวะใหม่ไม่ให้เกิดขึ้น ข้อที่2ในแง่ความเป็นอิสระเมื่อมีสภาพจิตที่บริสุทธิ์อย่างในข้อหนึ่งแล้วก็ย่อมมีความเป็นอิสระด้วยโดยจะไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ต่างๆที่เข้ามากระทบเพราะอารมณ์เหล่านั้นถูกใช้เป็นวัตถุสำหรับศึกษาพิจารณาแบบสภาวะวิสัยหรือออบเจกตีฟไปหมดไม่ถูกปลความหมายตามอานาจอาสวะที่เป็นสกวิสัย หรือ subjective สิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีอิทธิพลตามสกะวิสัยแก่บุคคลนั้นและพฤติกรรมต่างๆของเขาจะหลุดพ้นจากการถูกบังคับด้วยกิเลส ท, ที่เป็นแรงขับหรือแรงจูงใจไร้สำนึกต่างๆที่ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า unconscious drive หรือ unconscious motivations เขาจะเป็นอยู่อย่างที่เรียกว่าไม่อิงอาศัย คือไม่ต้องขึ้นต่อตัญหาและทิฏฐิไม่ถือมั่นสิ่งใดในโลกข้อที่สามในแง่ของปัญญาเมื่ออยู่ในกระบวนการทำงานของจิตเช่นนี้ปัญญาย่อมทำหน้าที่ได้ผลดีที่สุดเพราะจะไม่ถูกเคลือบหรือหันเหไปด้วยความรู้สึกความเอยนเอียงและอากติต่างๆ ทำให้รู้เห็นได้ตามที่มันเป็นคือรู้ตามความเป็นจริงข้อที่สี่ในแง่ความพ้นทุกข์เมื่อจิตอยู่ในภาวะตื่นตัวเข้าใจสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นและคอยรักษาท่าทีของจิตอยู่ได้เช่นนี้ความรู้สึกเองเอียงในทางบวกหรือลบต่อสิ่งนั้นๆ ที่ไม่ใช่เป็นไปโดยเหตุผลบริสุทธิ์ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้จึงไม่มีทั้งความรู้สึกในด้านติดใกล้กระหายอยากหรืออภิชาและความขัดเคืองกระทบใจหรือโทมนัสปราศจากอาการกระวนกระวายต่างๆที่ตรงกับภาษาอังกฤษว่าอ n ง i ไ t y ์อที่เป็นภาวะจิตที่เรียกว่าพลทุก มีความโปร่งเบาผ่อนคลายสงบผ่องใสเป็นตัวของตัวเองอย่างไม่มีกีดขั้นพรมแดนผลที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ความจริงก็สัมพันธ์เป็นอันเดียวกันเป็นแต่แยกส่วนในแง่ต่างๆเมื่อสรุปตามแนวปฏิจจสมุปบาทและไตรลักษณ์ก็ได้ความว่าเดิมนั้น มนุษย์ไม่รู้ว่าตัวตนที่ยึดถือไว้ไม่มีจริงเป็นเพียงกระแสของรู ป, ปรธรรมนามธรรมส่วนย่อยจำนวนมากมายที่สัมพันธ์เนื่องอาศัยเป็นเหตุปัจจัยสืบต่อกันกำลังเกิดขึ้นและเสื่อมสลายเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาเมื่อไม่รู้เช่นนี้จึงยึดถือเอาความรู้สึกนึกคิดความปรารถนาความเคยชินทัศนคติความเชื่อถือ ความเห็นการรับรู้เป็นต้นในขณะนั้นนั้นว่าเป็นตัวตนของตนแล้วตัวตนนั้นก็เปลี่ยนแปลงเรื่อยไปรู้สึกว่าฉันเป็นนั่นฉันเป็นนี่ฉันรู้สึกอย่างนั้นฉันรู้สึกอย่างนี้และอื่นๆการรู้สึกว่าตัวฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือการถูกความรู้สึกนึกคิดเป็นต้น ที่เป็นนมามธรรมส่วนย่อยในขณะนั้นๆหลอกเอานั่นเองเมื่ออยู่ในภาวะถูกหลอกเช่นนั้นก็คือการตั้งต้นความคิดที่ผิดพลาดจึงถูกชักจูงบังคับให้คิดเห็นรู้สึกและทำการต่างๆไปตามอำนาจของสิ่งที่ยึดว่าเป็นตัวตนของตนในขณนะนั้นๆรันมาปฏิบตัติตามหลักสติปัฏฐาน ก็มองเห็นรูปธรรมนามธรรมแต่ละอย่างที่เป็นส่วนประกอบของกระแสนั้นกำลังเกิดดับอยู่ตามสภาวะของมันเมื่อวิเคราะห์ส่วนประกอบต่างๆในกระแสอยากแยกออกมองเห็นกระจายออกไปเป็นส่วนๆเป็นขณะขณะมองเห็นอาการที่ดำเนินสืบต่อกันเป็นกระบวนการแล้วย่อมไม่ถูกหลอกให้ยึดถือเอาสิ่งนั้นๆเป็นตัวตนของตน และสิ่งเหล่านั้นก็หมดอำนาจบังคับให้บุคคลอยู่ในวงการของมันถ้าการมองเห็นนี้เป็นไปอย่างลึกซึ้งแจ่มชัดเต็มที่ก็เป็นภาวะที่เรียกว่าความหลุดพ้นทำให้จิตตั้งต้นดำเนิเนในรูปใหม่เป็นกระแสที่บริสุทธิ์โปร่งเบาเป็นอิสระไม่มีความเอียนเอียงยึด ต, ติดและเงินปมต่างในภายในเกิดเป็นบุคลิกภาพใหม่ กล่าวอีกในยะหนึ่งว่าเป็นสภาพของจิตที่มีสุขภาพสมบูรณ์ดุดร่างกายที่เรียกว่ามีสุขภาพสมบูรณ์เพราะองค์อวัยวะทุกส่วนปฏิบัติหน้าที่ได้คล่องเต็มที่ตามปกติของมันในเมื่อไม่มีโรคเป็นข้อบกพร่องอยู่เลยโดยในยะนี้การปฏิบัติตามหลักสติปฐานจึงเป็นวิธีการชำระล้างอาการเป็นโรคต่างๆที่มีในใจ กำจัดสิ่งที่เป็นเงื่อนปมเป็นอุปสรรค่วงขัดขวางการทำงานของจิตให้หมดไปทำให้ปลอดโรปร่งพร้อมที่จะดำรงชีวิตอยู่เผชิญและจัดการกับสิ่งทั้งหลายในโลกด้วยความเข้มแข็งและสดชื่นต่อไปเรื่องนี้อาสรุรุ้วยพุทธพจน์ดังต่อไปนี้ภิกษุทั้งหลาย โรคมีอยู่สองชนิดดังนี้คือโรคทางกายหนึ่งโรคทางใจหนึ่งสัตว์ทั้งหลายที่ยืนยันได้ว่าตนไม่มีโรคทางกายเลยตลอดเวลาทั้งปีก็มีปรากฏอยู่ผู้ที่ยืนยันได้ว่าตนไม่มีโรคทางกายเลยตลอดเวลาสองปีสามปีสี่ปี5าปีสิบปียี่สิบปีสาสิบปีส0สิบปีห้าสิบปี หนึ100่งร้อยปีก็มีปรากฏอยู่แต่สัตว์ที่ยืนยันได้ว่าตนไม่เป็นโรคทางใจเลยแม้ช่วงเวลาเพียงครู่หนึ่งนั้นหาได้ยากในโลกยกเว้นแต่พระขี น, นาศพผู้สิ้นอาสวะแล้วทั้งหลายพระสาวรีบุตรสนทนากับคารหบดีนกุลละบีดา แน่ท่านข้าบดีอินทรีของท่านผ่องใสนักสีหน้าของท่านก็บริสุทธิ์เปล่งปลัง่งวันนี้ท่านได้ฟังธรรมีกถาในที่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วหรือพระคุณเจ้าผู้เจริญจะไหนจะไม่เป็นเช่นนี้เล่าวันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหลั่งน้ำอมฤตรสข้าพเจ้าแล้วด้วยธรรมีกถาพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงหลังอมริตรถท่านด้วยธรรมีกาถาอย่างไรพระกุณเจ้าผู้เจริญข้าพเจ้าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทนั่งนาทีควรส่วนหนึ่งแล้วได้กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระองค์ชราแล้วเป็นคนแก่เท่าล่วงการผ่านวัยมานานร่างกายมีโรคเร่ารุมเจ็บป่วยอยู่เนื่งเนืองอันหนึ่งเล่าข้าพระองค์ ไม่ได้มีโอกาสเห็นพระผู้มีพระภาคและพระภิกษุทั้งหลายผู้ช่วยให้เจริญใจอยู่เป็นนิดขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดประทานโอวาสสั่งสอนข้าพระองค์ในข้อธรรมที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระองค์ชัว่วการนานพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถูกแล้วถึงกขรรหากดีเป็นเช่นนั้นอันร่างกายนี้ย่อมมีโรครุมเรา้า ดุดดังว่าฟองไข่ซึ่งผิวเปลือกห่อหุ้มไว้ก็ผู้ใดที่บริหารร่างกายนี้อยู่จะยืนยันว่าตนไม่มีโรคเลยแม้ชั่วครู่หนึ่งจะมีอะไรเล่านอกจากความเคลาเพราะเหตุฉะนั้นแหละท่านคฤรหาพดีท่านพึงสำเนียกว่าถึงแม้กายของเราจะมีโรครุมเรา้าแต่ใจของเราจะไม่มีโรครุมเราเลย พระกุณเจ้าผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงหลังอมริตรรถข้าพเจ้าด้วยธรรมีคาถาดังนี้แหล